ภาวนาแล้วเห็นตัณหา6ตัววงเล็บเปิด6พฤศจิกายน2549วงเล็บปิดจิตของเรามีตัณหาย้อมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากได้ผลทพธาที่ดีเดี๋ยวอยากได้ธรรมารมที่เพลิดเพลินพอใจอยากตลอดเวลาความอยากหมุนอยู่ในอายตนะทั้ง6นี่เองเวลาเราภาวนานะแต่เดิมก็คิดว่าตัณหามีสมตัวคือการมาตัณหา ภวะตันหาวิภวะตันหาพอลงมือภาวนาจริงๆเราเห็นตันหาหกตัวคือความอยากได้รูปในวงเล็บรูปตันหาอยากได้ยินเสียงในวงเล็บสัตถะตันหาอยากได้กลิ่นในวงเล็บคันทะตันหาอยากได้รสในวงเล็บรสตันหาอยากได้สัมผัสที่ดีในวงเล็บโพธิตันหาอยากได้ธรรมารมที่ดีในวงเล็บธรรมตันหาเช่น อยากรู้เรื่องคิดคิดคิดไปนี่มีธรรมตัญหาพอจิตมันมีตัญหาขึ้นมาในอายตนะหกมันก็เกิดการทํางานขึ้นมาที่จิตจิตก็ทํางานหมุนจี๋จีจขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าเราคอยรู้คอยดูนะโอ้วันหนึ่งละความยึดถือในกายในจิตได้ตัญหาจะไม่เกิดอีกตัญหาไม่เกิดอีกนะพบก็ไม่เกิดขึ้นการทํางานทางใจไม่มีขึ้นความจะไปหยิบฉวยเอารูปเอานา้ำคือชาติขึ้นมาอีกก็ไม่มี ความทุกข์ไม่มีเพราะไม่มีขันขันนี่เป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยเป็นตัวทุกข์ด้วยความทุกข์ถ้าจะตั้งก็ตั้งอยู่ในขันตั้งอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองและตัวขันหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวมันก็เป็นตัวทุกข์ฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนลึกนะลึกมากแต่ว่ามีสติดูจิตลูกเดียวนั่นแหละจะเข้าใจทั้งหมด หลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลไปหาท่านครั้งหนึ่งอีกสามเดือนไปส่งกันบ้านท่านอธิบายให้ฟังว่าที่ปฏิบัติอยู่ไม่ถูกกรอกเสร็จแล้วท่านสอนในเครื่องหมายคําพูดจิตคือพุท ธ, ธะให้ฟังเทศเทศอยู่สีห้านาทีแล้วก็เทศกลับไปกลับมาด้วยรอบละสี่ิบห้านาทีเราฟังจนเหนื่อยเต็มปรรดานะถามหลวงปู่ที่หลวงปู่เทศมาทั้งหมดนี่ผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมมันไม่รู้เรื่องที่เทศมานี่มันไม่ได้รู้เรื่องเลย หลวงปู่เลยบอกว่าธรรมะทั้งหลายเกิดที่จิตธรรมะแปดมืนสี่พันพระธรรมขันเกิดที่จิตถ้ารู้อยู่ที่จิตก็รู้ธรรมะได้ฟังแล้วค่อยสบายใจนะโอ้ยทาไมท่านสอนธรรมะมากมายท่านสอนให้เอาไว้ใช้ในอนาคตแต่สอนทีไรก็สอนอย่างนี้สอนเวียนอยู่ในเรื่องของจิตคือพุทธะจนครั้งสุดท้ายไปหาท่านสาวันก่อนมรณภาพ ไปหาท่านตั้งแต่ตอนบ่ายๆอยู่กับท่านท่านก็เทศให้ฟังไปเรื่อยๆนะจนทุ่มหนึ่งนะท่านหอบแหกๆเลยไม่ยอมหยุดสอนเราก็สงสารท่านมากเลยบอกหลวงปู่หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับแล้วจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำเอาไว้ก่อนในเครื่องหมายคำพูดพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตที่จริงมีอีกประโยคหนึ่งแต่ไม่ค่อยอยากเล่าในเครื่องหมายคาพูด พบพระพูทธ่เจ้าให้ข่าเสียฟังแล้วมันน่าตกใจเครื่องหมายคำพูดเปิดพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตถึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงปิดเครื่องหมายคำพูดเข้าใจไหมบอกไม่เข้าใจครับแต่จะจําเอาไว้เออดีไปได้แล้วไปลาท่านมาลาแล้วหันไปมองหลายรอบนะโอ้รู้สึกอะไรอววรไม่ได้เจออีกแล้ว